50 languages. 4 7 47. i การเตรียมตัวเดินทาง s f a r i t r i คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว तुम्हें हमारे सूटकेस तैयार करना चाहिए. อย่าลืมอะไรนะ कुछ भी องใช้กระเป๋าใบใหญ่ ह ุณคุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ तुम्हें एक बड़े सूट केस की जरूरत है อย่าลืมหญ่งสืาห่องใชเาองะเป๋าใองะา่งะาใบใต้อยเ่คราลืม่ตัองเ๋บคระเ่คองรบ่องกะเบอะ อย่าลืมเช็คเดินทางนะ t r a v e l e r s check ไม่ต้องนะเอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Sun cream ส, สาธิเล่นนะเอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะถูปกับชั้ชมาสสาธิเล่นนะเอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Sun heat ส, สาธิเล่นนะ คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหมคุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหมคุณจะเอาร่มไปด้วยไหมคุณจะเอาร่มไปด้วยไหม อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ pant กามีส์ a รือโมเสนาบู l ล a นะอย่าลืมเน็คไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ tie belt หรือโค้ทนาบูลลนะ่อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยือดนะซนิกาสูทกามีส์หรอทีชเสิร์ตนาบูลนะ คุณต้องใชง้รองเท้ารองเท้าแตะและรองททร เ, เท้าบูทคุณต้องใช้ผ้าเชา็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บคุณต้รงมาลผ้าเน็ดห น, น, น้าสบู่และกรรไกรตรดเล็บคุณต้องใช้หวีแปรงสีฟนันและยาสีฟนัน तुम्हें एक कंघी, टूथब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत है।